สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยาบิบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที่ยีิบสองข้อ1่ถึงข้อ6ครับโปรดฟังพจนะของพระเจ้าชื่อเสียงดีนั้นควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายและมีคนนับถือก็ดีกว่ามีเงินมีทองคนมั่งคั่งและคนยากจนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือพระยาเวทรงสร้างพวกเขาทั้งสิ้นคนสุ ข, ขุมเห็นอันตรายและซ่อนตัวเสียแต่คนรู้น้อยเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นบำเหน็จของความถ่มตัวและความยำเกรงพระยาเวคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตน้ำและบ่วงอยู่ในทางของคนตลบตะแลงคนที่ระมัดระวังตัว อยาอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านี้จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นพี่น้องครับข้อที่หนึ่งชื่อเสียงดีควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคัง่งและคนนับถือก็ดีกว่ามีเงินมีทองการมีชื่อเสียงดีนั้นหมายถึงการที่ คนคนหนึ่งได้รับเกียรติมีเกียรติเนื่องจากเขานั้นเป็นคนดีครับเขานั้นมีนิสัยดีมีจริยธรรมมีคนนุณธรรมมีคนนับหน้าถือตาเพราะความดีของเขาเราจะเห็นได้ว่าการมีนิสัยดีทำให้มีชื่อเสียงที่ดีตามมาถ้ามีความมั่งคั่งร่ำรวยแต่นิสัยไม่ดีก็ไม่ดีครับ ดังนั้นการมีนิสัยที่ดีมีค่ามากกว่าความมั่งคัง่งมีค่ามากกว่าความร่ำรวยพี่น้องครับถ้าให้เลือกหลายๆคนมักจะเลือกความมั่งคัง่งมากกว่าการเป็นคนดีใช่ไหมครับเพอจะนัดพระเจ้าตอนนี้หนุนจิตชูใจเราครับว่าขอให้เราที่จะเลือกคนดีมากกว่าความรวยหรือคนรวย ขอให้เราเลือกที่จะเป็นคนดีมากกว่าเลือกที่จะเป็นคนรวยให้เราเลือกที่จะเข้าข้างคนดีหรือความดีมากกว่าเลือกเข้าข้างคนรวยหรือความรวยน่าเสียดายนะครับที่คนในสมัยนี้มักจะยกย่องผิดก็คือยกย่องคนรวยมากกว่ายกย่องคนดีครับพี่น้องครับสิ่งที่เราเป็นสำคัญกว่าสิ่งที่เรามีครับ คุณค่าของมนุษย์นั้นอยู่ที่ต้องเป็นสิ่งที่เห็นได้จากการปฏิบัติในขั้นเดียวกันครับไม่ใช่อยู่ที่เขามีมากเท่าไหร่ข้อที่สองก็ต่อเนื่องจากข้อที่หนึ่งครับความมั่งคัง่งความยากจนคนที่มั่งคั่งร่ำรวยคนยากจนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือพระเจ้าสร้างพวกเขามาทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เกียรต ทั้งคนร่ํารวยและคนยากจนเท่าเท่ากันครับเพราะว่าพวกเขามีพระเจ้าผู้สร้างเขาองค์เดียวกันในขณะเดียวกันครับพวกเขาจึงมีคุณค่าและความเป็นคนความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันครับทําไมพระคัมภีร์ต้องเน้นย้ําเรื่องนี้ด้วยเพราะเนื่องจากว่ามีแนวโน้มครับที่เรามักจะดูถูกคนยากจนและชอบ เยินยอยกย่องคนร่ำรวยครับการกดขี่ข่มเหงดูถูกคนยากจนไม่ใช่เป็นนามธรของพระเจ้าการใช้อำนาจบีบบังคับของคนร่ำรวยที่มีต่อคนยากจนก็ไม่สมควรทำเช่นเดียวกันข้อที่สคนสุ ข, ขุมเห็นอันตรายและซ่อนตัวเสียแต่คนรู้น้อย เดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นมีความหมายว่าคนฉลาดครับมักจะเห็นอันตรายล่วงหน้าคนฉลาดเขาจะมีความรอบคอบและสุ ข, ขุมคนฉลาดนั้นเขาจะมีความลุ่มลึกเขาคิดและมองทะลุปุโปรงครับพอเห็นอันตรายเขาจะหลีกเลี่ยงแต่ในทางกลับกันคนเงื้อโง่เขาครับมักจะเซอ้อซาคนที่โง่เขานั้นมักจะไม่ยอมเรียนรู้ ไม่มีความรู้และเขาจะขาดการความรู้หรือการเรียนรู้เขาเหล่านี้จะไม่เห็นอันตรายครับและไม่สนใจต่อคำตักเตือนคำเตือนสอนคำเตือนสติเขาก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆจนพบกับอันตรายเปรียบเหมือนกับคนที่รู้ว่ามีพายุมาน้ำจะท่วมครับควรจะต้องรีบหนีช่อนตัวหรือแม้กระทั่งยกของขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้น้าท่วมเสียหาย แต่คนที่ไม่รู้เรื่องคนโง่เขลาคนที่ไม่ยอมฟังคำตักเตือนในที่สุดเขาก็จะหมดตัวในทานองเดียวกันครับเมื่อเรารู้ว่ามีพายุมาการอพยพเคลื่อนย้ายก็ดีกว่าความพยายามที่จะต่อสู้พายุหรือแม้กระทั่งความพยายามที่จะฝ่าฟันมันไปให้ได้เพราะฉะนั้นคนฉลาดนั้นเขาจะรู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหางครับในเรื่องนี้นั้นเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีสติปัญญาและเชื่อฟังพระเจ้าเราก็จะเป็นคนฉลาดและเมื่อเห็นอันตรายจากความบาปที่รอเราอยู่ข้างหน้าคนที่มีสติปัญญาเขาจะซ่อนตัวเสียจากความบาปเขาจะหลีกหนีออกห่างจากการทำผิด และเมื่อเป็นเช่นนั้นในข้อที่สีพระเจนาของพระเจ้าบอกว่าบำเนจของความถ่อมตัวและความยำเกรงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตเราจะเห็นได้ว่าความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้านั้นมักจะเกิดขึ้นไปควบคู่กันเสมอครับคนเราไม่สามารถยำเกรงพระเจ้าและเต็มไปด้วยความหยิ่งทนง ยะโสโอหังเห็นแก่ตัวไปพร้อมๆกันได้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความยำเกรงพระเจ้าจิตใจเราก็จะถ่อมลงครับเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพันยูผู้ทรงอยู่เหนือกาลเวลาผู้ทรงอยู่เหนือทุกหนแห่งดังนั้นหากเราอยากจะมีความมั่งคัง่งมีเกียรติและชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับความยำเกรงพระเจ้า เกิดจากการดําเนินชีวิตที่ชอบทำครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนเรามีการควบคู่ต่อเนื่องกันระหว่างความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้าผลดีจะเกิดขึ้นเกี่ยวโยงกันไปตลอดนักอัฏฐานทีบายพระกัมพีได้ให้เราเห็นถึงภาพของเหรียญสองด้านของคนที่ดีเหรียญด้านหนึ่งก็คือความยำเกรงพระเจ้า อีกด้านหนึ่งของเหรียญก็คือความถ่อมใจครับความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้าจึงเป็นสองด้านของเหรียญเหรียญเดียวกันนี่แหละครับด้านหนึ่งก็คือมองดูตัวเองต้องถ่อมใจลงอีกด้านหนึ่งมองดูพระเจ้าต้องมองดูพระองค์ด้วยความยำเกรงพระองค์คนเช่นนี้ก็จะมีรางวัลก็คือเกียรติความมั่งคั่ง และชีวิตยืนยาวในทางกลับกันครับข้อที่5ได้บอกว่าน้าและบ่วงอยู่ในทางของคนตลบตะแลงคนที่ระมัดระวังตัวจะอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านี้นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีชั่วร้ายสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายของเราสิ่งที่เราประพฤติสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำมันเป็นนาม และเป็นบ่วงเป็นกับดักอยู่ในทางของเราคนตลบตลรงตรงนี้มีความหมายถึงคนคดโกงครับเป็นคนที่ไม่ใช้เส้นทางตรงในการติดตามน้ำพรไทัยของพระเจ้าแต่เขาคดเคี้ยวเลี้ยวรถครับคนพวกนี้สามารถคาดหวังถึงการล่อให้ติดกับที่และกับดัก ที่เจ็บปวดในชีวิตมากมายตรงเงินข้ามครับคนชอบทาผู้ดำเนินในทางของพระเจ้าอย่างระมัดระวังนั้นตอนต้ น, ตนอาจจะยากแต่ว่าตอนปลายจะดีครับนั่นหมายความว่าเหมือนกับคำที่พูดว่าต้นร้ายแต่ปลายดีข้อสุดท้ายในวันนี้คือสุภาสิทธิ์บทที่2 2ข้อ6ครับจงฝึกเด็ก ในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นนี่เป็นข้อพระกัมภีร์ที่หลายหลายท่านท่องได้และชอบด้วยแต่ถามว่าทำยากไหมคำตอบคือไม่ง่ายครับเพราะความคำที่ว่าการฝึกฝนมีความหมายว่าเป็นการอุทิตตัวครับอุทิตตัวต่อสิ่งหนึ่ง เพื่อที่จะให้เกิดอุปนิสัยที่ดีนั่นหมายความว่าการสร้างคนการสร้างเด็กก็คือการฝึกเด็กการฝึกเด็กนั้นเราซึงเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นพี่เลี้ยงเราจะต้องมีจิตใจแห่งการอุทิศตัวในการฝึกฝนในวันพรุ่งนี้ครับเราจะพบกันในเรื่อง ของการฝึกฝนและทางที่เขาจะเดินไปและพระกัมภี์ตอนนี้เป็นคำสัญญาจากพระเจ้าใช่หรือไม่ขอพระเจ้าอวยพระพรครับอาเมน